เป็นโผฏฐาลรมก็จะเพ่งเมื่อแยกแยกจะเพ่งโดยความเป็นขันเป็นอายตนะหรือเป็นธาตุในวัตถุนั้นทีนี้ถ้ามองในแง่กรรมเนี่ยแงกรรมเแยกมิโครกรรมก่อนถ้ามองในแง่ของจิตตสมุทฐานแล้วจิตตัวไหนมาเป็นสมุทฐานแกจิตตะชุบแปดเหล่านั้นอีกและถ้าเป็นอาหารสมุทฐานอาหารเหล่าใดที่มา อุปธรรมมาบำรุงเนี่ยนะที่จะต้องคอยเตมิมเชื้อเพลิงคืออาหารอยู่ตลอดเวลาเพื่อจะมาบำรุงบำเรอสิ่งสิ่งเหล่านี้คือคือกายเหล่านี้นี่ก็พิจารณาในแง่คางกายยัตวาลพิจารณาในด้านาตัวตั ว, ต, วตัวรูปพิจารณาตัวรูปแล้วก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็พิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นต้นซึ่งต่อด้วยพรัฒรมอย่างอื่นอีก หรือตามด้วยอธิตตะปริยญสูตรว่าตายเนี่ยเป็นของร้อนเช่นหนังเนี่ยเป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะร้อนเพราะไฟคือราคามันร้อนยังไงผิวหนังมันเป็นที่ตั้งแห่งราคะเท่าไหร่ร้อนเพราะไฟคือโทสะเนี่ยนะหนังตัวนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเท่าไหร่ผิวหนังเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งโมหะเพราะไม่รู้เหตุเกิดความดับของผิวหนังเหล่านั้นตามความเป็นจริงตัวหนังนี่มีชาติเป็นเบื้องต้นการเกิดขึ้นของผิวหนังชราล่ะ ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตุ่อยความปลือยของผิวหนังและมรณะของผิวหนังแล้วหนังตัวนี้เป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวทุกโทมณัตและอุปาญาตเท่าไหร่เนี่ยนเพราะถ้าผู้มีปัญญาพิจารณาปั๊บมองเห็นผิวหนังแล้วอะไรนะเห็นผิวหนังปั๊บก็รู้แล้วเนี่ยทุกแน่นอนอนะวัตถุนี้คือวัตถุแห่งทุกดีๆนี่แหละเป็นวัตถุแห่งทุกจริงๆทุกทั้งทุกด้วยอํานาจกิเลสและทุกด้วยอํานาจ ชาติชราพยาธิมรณะที่อยู่ในตัวผิวหนังเองแล้วถามว่าอาศัยผิวหนังเนี่ยโสกะปริเทวทุกโทรมรณะอุปาญาตเกิดเท่าไหร่เดี๋ยนะเกิดเท่าไหร่โดยที่มีวัตถุตัวนั้นเนี่ยนะแล้วถามว่าที่เราสแสวงหาจริงๆสแสวงหาอะไรในทั้งสแสวงหาพวกครีมทั้งหลายก็เพื่อสแสวงหาจริงๆก็ต้องการผิวหนังนั่นแหละแล้วก็เราเป็นวัตถุที่เราทะนุถนอมหวงแหนแต่ว่าแต่ละปีผ่านไปละหลายคนไม่ยอมถ่ายรูปแล้ว บางเกลียบผิวหนังมากกระจกก็โมคนหนึ่งก็เล่าว่าเขาไม่ได้ดูกระจกมานานมากเข้าไปในตลาดเลือกไปดูให้ใครเรนี่ก็เลยตกใจมากเลยนะตกใจลแล้วเราเหรอเนี่ยเขา้ามาเงี้ยทำใจอยู่นานกว่าจะทําใจได้นะแสดงว่าสังเวกวขาถูกแรงมาก บางคนก็ถามว่าทำไมไม่ถ่ายรูปบอกว่ากลัวที่จะดูตัวเองในวันหลังว่างั้นนะโอ้เป็นเอาม้าวเงินนะแสดงว่านี่คือจริงๆแล้วเข้าเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของเขาเป็นที่ตั้งแห่งโศกปริเทวทุกโทมนัสและอุปายาตเทวผิวหนังแท้ๆเนี่ยนะบางคนนี่เดือดร้อนมากโทสะมากก็เพราะหนังราคะแรงก็เพราะผิวหนั ง, นงบาปอากุศลแระทเกิดมาเพราะผิวหนังเป็นปัจจัยนี้เท่าไหร่อย่างที่เราเรียกว่า บางคนเน ja who right, right. so, so, ี่ยยอมทําบาปเพราะอะไรเพราะก็เพราะผิวหนังอะแหละถ้าคนนั้นเนี่ยสมมติถ้าเราจะทําบาปเพราะใครสักคนหนึ่งถ้าคนนั้นไม่มีผิวหนังเลยเราจะยอมทํำไหมลอกหนังหมดเลยเนี่ยเราก็ไม่เอาอีกแล้วเพราะฉะนั้นผิวหนังเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งทุกทกแต่ว่าเบื้องหลังจริงๆอ่ะผิวหนังมีอะไรเป็นสมุทฐานก็มีกรรมเป็นสมุทฐานถึงเราจะไปคาดหบังด้วยอำนาจบาปอกุศลด้วยอำนาจกิเลสเท่าไหร่ผิวหนังก็เป็นไปตามกรรมถราในส่วนที่มีกรรมเป็นสมุทฐาน ในส่วนที่มีจิตเป็นสมุทฐานก็เป็นไปตามจิตในส่วนที่เป็นอุตุอุตุสมุทฐานก็ว่ากันตามวัยว่ากันไปตามวัยมีความเสียหายเป็นต้นไปตามวัยถ้าในส่วนของอาหารสมุทฐานน่ะถ้าลองอาหารมันขาดอาหารไม่เป็นไปตามนั้ น, น, นเนี่ยจะเป็นยังไงใช่ไหมก็เสียหายถ้าอุตุเช่นตากแดดเป็นบ่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวก็กราบด้านน้ำรุ่แขกหรือไทยนู้กราบเนี่ยนะแขกหรือไทยก็ไมนะ่ทราบนั่นแต่ลองมาเดินอะเดินตะทักศิลรอบพระเจดีย์สี่บองศาทุกวันเนี่ยนะ กลับไปเนี่ยเราบอกว่าแขกมันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะเพราะมันกลมกลินกันหมดเลยอันนี้เรเป็นเจ้าตอนนี้ก็หมายสงสัยกลิ่นแขกมันเข้าไปเริ่มเข้าตับเต้าไตเยอะแล้วอ่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นแขกเลยเพราะมันอยู่ในตัวหมดแล้วพอมาที่เคยฟังก็บอกว่าถ้าเขาเก็บศพเนี่ยนะเขาทํายังไงไปไหมพวกเก็บศพแรกๆมันอาเจียนมกันหมดพวกนี้จะไปดมให้มันเต็มที่เลยนยซักหลายๆครั้งต่อไปมันก็ชินคือให้มันช่วงปลอดไว้ก่อนนะ ตอนหลังก็ปกติมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าเหม็นสักเท่าไร่มันทําใจได้นะะทันเทวดาทั้งหลายที่เขาทาใจไม่ค่อยได้ปลิ่นมนุษย์เนี่ยนะก็เพราะว่าเขาไม่โดนมันชุ่มปอดนั้นนั้นแต่เราอยู่กับตัวเองนานเราก็เลยรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่ันนะคงไม่ทราบนะแต่จริงๆเนี่ยจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคนที่ทานมังสวิรัตนานๆเนี่ยถ้าจะต้องทานอาหารแบบแบบบางอย่างนะั้มันคราวมากๆเลย เขาทานไม่ลงอย่างถ้าหากว่าทานอาหารแบบคนเมืองมากๆนะไปทานอาหารชาวบ้านไม่ได้ไมันรู้สึกว่าขาวมากๆเลยอย่างนี้มันเข้าๆเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าเออมันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้บางอย่างหลายๆเรื่องเราชินไอ้ความชินเนี่ยนะจริงๆไอ้ความชินชาญ น, นั่นแหละสุ ข, ขาวิปปลา่ากับนิจจาวิปปลา่าก็คือความชินไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ผู้ที่เขาทําปริญญาเนี่ยเป็นผู้ที่ตื่นมากๆเลยตื่นภายในสิ่งเหล่านั้นว่า ตัวนั้นเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งแรงสะท้อนให้เกิดอะไรบ้างบ้างเพราะว่าวัตถุแต่และวัตถุนนเนี่ยนะที่เขาเขากลัวจริงๆเนี่ยเขากลัวในฐานะว่ามันมีแรงสะท้อนให้เกิดอะไรขึ้นเพราะตัวธรรมชาติของอย่างเช่นผิวหนังเนี่ยนะปล่อยยังไงมันก็เดี๋ยวมันก็ตายแลย้วเดี๋ยวมันก็เสียหายในที่สุดก็ตายเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่ทําไมต้องเอามาทําปริญญาเนี่ยนะพบใหม่ที่เราจะมีขึ้นเนี่ยมีอะไรเพราะอะไรเป็นปจัจจัยก็มีผิวหนังเป็นอะไรในอารมณ์เป็นอะไรนิมิต อย่างเช่นคนจะเกิดใหม่บางคนนี่มีคันมารดาเป็นอารมณ์ก็มีผิวหนังที่มันก็มีผิวหนังนแหละเป็นอารมณ์มันก็มีตะโจเป็นอารมณ์ทั้งชาติดูหน้าลูกหน้าหลานก็มีต่โจนั่นแหละเป็นอารมณ์ไปอีกทั้งชาติแท้จุติเพราะเพราะผิวตะโจเนี่ยนะท่าะพวกนี้เป็นที่ตั้งแห่งกรรมาวิญญาณในขณะเดียวกันผิวหนังทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งถวาวรกายอาศัยกายกับโพตพะเกิดกายญวิญ ญ, ญาณเวลา ย, ยุมกัดเป็นต้นเนี่ยนะเพราะ ย, ยุมกัดอย่างเดียวนะ ภาษะตัวนั้นเนี่ยสารพัดยากันยุงทั้งหลายนี่จะออกมาใช่ไหมนะยากันยุงสารพัดชนิดเนี่ยออกมาเพราะยุงกัดนี่นแหละภาษะตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยให้เกิดสารพัดยาทั้งหลายเหล่านี้ทั้งยาโดยพ่นโดยฉีดโดยทาโดยทั้งหมดเหล่านั้นมีกายาวิญญาณเป็นปัจจัยอย่างผู้อาหารกล่องเนี่ยเกิดจากอะไรก็จากหิวเป็นปัจจัยภาษาคือหิวเนี่ยผลิตอาหารออกมา ภาษาคืออย่างเช่นถูกโจรขโมยเป็นต้นที่มาของการลอกการทํากุญแจการอะไรเนี่ยภาษาทั้งหลายเนี่ยมันยิ่งใหญ่จริงๆ จ, งจึงเห็นว่าอะไรนะมหาภูต ร, รูปเป็นเหตุใกล้ของอะไรขันรูปประขันภาษาเป็นเหตุใกล้ของเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันถ้านาใครกําหนดรู้ภาษะจริงๆดีพอเนี่ยนะว่าภาษาแต่ละครั้งเนี้นํามาซึ่งอะไรอย่างเช่นเขาก็จะเนี่ย เอาเนี่ยเรามาทางนี้นะเรามากันเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างจริงๆเขาก็ถามว่าที่ผัสสะมาเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาสัญญาสังขารอะไรบ้างก็เล่าถึงสังขารก็จะได้ไปกลับไปแก้ผัสสะตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งนะว่าแก้ที่ไหนก็แก้ที่อารมณ์บ้างแก้ที่วัตถุบ้างนะแก้โดยทั่วไปก็นิยมแก้กับ อารมณ์เช่นถ้าร้อนเกินไปก็ไปแก้ที่ไอ้โพธภาภะที่มันเข้ามานะเช่นแอร์ไม่เย็นเลยก็ไปไปไปรับแอร์ให้มันเย็นขึ้นหรือว่ามันเย็นเกินไปก็ไปลดลงว่าแก้ที่แก่ที่อารมณ์ก็แก้ที่ภาษาก็จะนํามาซึ่งเวทนาสัญญาสังขารที่ที่ประสงค์ในเรื่องนั้นนั้นแต่โดยมากก็เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดร่วมกับบาปและอาคุสนเนี่ยนะอย่างอย่างพระอาจารย์พูดเรื่อง อาการ42ที่แยกเป็นรูปต่างๆเนี่ยนะครับฟังแล้วก็เข้าใจตามนั้นนะครับแต่การที่เอามาแยกมาวิเคราะห์มาพิจารณาเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่างจากการฟังแล้วก็มีความเข้าใจคือฟังฟังเข้าใจเนี่ยไหเราฟังเข้าใจเนี่ยหมายความว่ามีความรู้สึกว่าเห็นด้วยกับผู้ที่พูดแต่เราไม่ได้เห็นจนเป็นอัธยาศัยจริงๆของเรา เหมือนกับว่าเขาเขาเอา ส, อสมบัติของคนอื่นมาโชว์ให้เราดูนะแต่สมบัติอันนั้นยังไม่เป็นของเราจริงๆเพราะเรายังเอามาใช้จริงๆไม่ได้เพราะเรามีความรู้สึกว่าเห็นตอนที่เขาเขาโชว์ให้เราดูเออใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันยังไม่เป็นของเราหรือยืมแว่นแว่นเพื่อนมาใช้อะนะเออเราเนี่นสายตาเท่าเท่ากันนี่มันก็เลยเออเขามีแว่นมาก็มาใ ส, ส่สัหน่อยเออเห็นชัดแล้วก็ถอดทิ้งเลย ถ้าไม่ได้ใส่ต่อไปอีกเพราะการที่เอาไปพอกพูนให้เป็นอัธยาศัยของตนก็เหมือนกับเอาไปฝึกให้เจริญให้จนเป็นความรู้ของตัวเองอันนะั้ให้เป็นอะไรไนหะให้เป็นผู้รับทรัพย์มรดกอันนี้ของพระพระรัตนตรายหรือของพระพุทธเจ้าไปใช้สอยจริงๆเช่นการการพิจารณาอย่างนี้ให้เป็นเป็นอัธยาศัยจริงๆเลยถ้าไม่เป็นอัธยาศัยเราว่าขามาอยากใช้คำว่ากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกันกบพระรัตนตรัยว่า เรานี่มีความเห็นอย่างพระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสคือสิ่งเดียวกันนีนะพอนแสดงว่าเรากับพระพุทธเจ้าเห็นเรื่องนั้นเหมือนกันแสดงว่านั่นเป็นธรรมและหมู่พระสาวกทั้งหลายท่านก็พูดสิ่งนั้นเหมือนกันนะก็เพราเราเจริญอย่างนั้นเป็นปกติอัธยาศัยแต่ทีนี้คนทั่วๆไปไม่พาเวตปาปธรรมเนี่ยน้อย อย่างคนที่ตเข้าใจดีฟังมามากฟังจนเข้าใจแล้วเหมือนกับอะไรไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาก็ฟังมีแต่ฟังฟังฟังแล้เฉยแม่นมีอะไรเพิ่มขึ้นมาคําพูดเหล่านี้เราเข้าใจเลยว่าเขาไม่ได้ไปทําตามอย่างที่เราเราบอกสักหน่อยเลยจากหลายๆคําที่ที่เรียนธรรมะอะไรด้วยกันเนี่ยบางทีก็คําพูดที่เขาพูดมาเนี่ยเราเข้าใจเขาเลยบางเรื่องว่าเขาไม่ได้ไปทาตามที่เราพูดเลย หรือบางทีเนี่ย <ๆ S 1> เขาเขาคิดเรื่องบางเรื่องอยู่ในใจของเขาเรารู้แล้วผููดําแบบนี้มาเขาไม่พยายามที่จะเดินตามที่เราแนะนําไปบ้างเลยเนี่ยนะแต่ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไปโทษเขาก็ไม่ได้ก็คือเพราะปัจจัยในการเจริญธรรมะเนี่ยเรารู้แล้วว่าปัจจัยเยอะจริงๆเนี่ยนะถ้าหนึ่งเช่นสังเวรวัตถุเขาไม่ได้สังคมสิ่งเรศล้อมเขาไม่ได้หรือเขามีเขามีความสนใจในเรื่องอื่นอยู่เนี่ยนะที่จะให้เขาไปเจริญในเรื่องนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ทีนี้มันก็มันก็ยากมันก็งันก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้ถามว่าทํำยังไงเพราะจึงถ้าเป็นการศึกษาพระธรรมในยุคนี้จึงต้องเจริญกรรมมศกตามากๆเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเราจะไปป่วยกับเรื่องคนอื่นมากไปเหมือนกันะไปป่วยเรื่องคนอื่นมากไปเพราะถ้าคิดถึงใครก็เขาก็มีกรรมเป็นของของเขานะเขาทําอะไรก็จักสมควรแก่กรรมของเราของเขาละ่ะะแต่บางอย่างที่ต้องเกี่ยวข้องกันอะไรันนี้ต้องคิดให้เยอะๆหน่อยนะถ้า ถ้าพูดในพูดใ น, นแง่หนึ่งนะถ้าบอกว่าถ้าเขาเป็นอยู่ของเขาเนขีของมาไม่รู้สึกว่าป่วยอะไรเลยแต่จะทุกข์มากเขางมาประเภทกลุ่มสัมปโยคทุกเป็นกลุ่มสัมปโยคทุกเท่าวิดประโย ค, โยคแล้วสุขถ้าสัมปโยคแล้วทุกเนี่ยนะจะเป็นค่อนข้างกลุ่มนั้นเพราะจริงๆแล้วบางเรื่องเนี่ยเราเราช่วยเขาไม่ได้ยิ่งยิ่งคนที่เขาเข้าใจบางเรื่องเป็นเป็นเรื่องของเขาอยู่แล้วด้วยเขาบ า, งค น, น า, ง, า ง, งคนเนี่ยนะอย่างอย่างยอมคนหนึ่งเนี่ยพูดเขาก็เห็นด้วยเชื่อ แต่เขามีความเห็นเป็นของเขาอยู่แล้วเมื่อไหร่เมื่อไร่เนี่ยนะเขาก็จะพูดแต่เรื่องนั้นไอ้แบบที่เขาพูดแล้วก็มาถามเราเราก็แนะนําอันนี้ไม่ใช่หมายที่อาจารย์สันตินะแต่มีโยมคนหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนั่นเดี๋ยวเขาเสียหายเขาเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถามเรามาสามสี่ปีแล้วก็เรื่องขอเก่าของเขาอยู่นั่นแหละไอ้ที่เราเราเข้าใจเลยว่าไอ้ที่เราแนะนําเขาไปสามสี่ปีเขาไม่ได้ไปคิดตามเลยแล้วเราจะไปว่าอะไรเขาเสร็จแล้วเขากลาเรื่องของเขามาถามเรา แล้วเราก็แน่ไปวันหลังก็มาอถามรอยเดิมอีกแต่เปลี่ยนพยัญชนะใหม่แล้วก็เหมือนก็เป็นอย่างนี้นะแต่ก็ก็เริ่มแต่ว่าคือมันได้ประสบการณ์ น, นะเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เของมามองแต่ละเรื่องนะคือวิชาเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งนะมามาประเภทกลุ่มคอสอนอเนี่ยนะเรียนกับชีวิตเนี่ยเนี่ยทุกอย่างทุกแห่งคือโรงเรียนหมดทุกเรื่องที่ทํำนะขามามองว่าเป็นวิชาเรียนหนึ่งวิชา นี่ยนะที่ที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องนั้นนั้นเราจะได้ความรู้จักสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาแต่ทีนี้เราก็ธรรมะเหล่านี้เนี่ยก็ยังศรัทธาในาทำบางอย่างควรรู้ยิ่งทำบางอย่างควรกําหนดรู้ทำบางอย่างควรละทำบางอย่างควรเจริญทำบางอย่างควรทําให้แจ้งเราก็ไม่แยกธรรมะเหล่านี้นะว่าในแต่ละอย่างเช่นภาษะอันเป็นที่ต้านแห่งอาสวะพวกนี้ก็เป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมหนึ่งที่ควรรู้ยิ่งควรกําหนดรู้เนี่ยนะอั้นถ้าหากว่า เราก็มองว่าวัตถุประสงค์ของคําสอนนี่เป็นยังไงก็ทุกคนก็หวังความเจริญในพระศาสนาใช่ไหมทํำยังไงที่จะเจริญในพระศาสนาอันนั้นคือสิ่งที่เราเราต้องการเพราะถ้าหากว่าเจริญไปแล้วพิ่ในพระศาสนาเราไม่เจริญงอกงามขึ้นก็แสดงว่าผิดพลาดเป็นต้นนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่สนทนากันว่าเขาไม่ไม่ได้ใส่ใจจริงๆอย่างเช่นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนั ก็รู้ว่ารู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่เราคิดถึงใครแล้วเลยไปหาเกิดแก่เจ็บตายบ้างไหมแล้วเนี่ยในบรรดาวันหนึ่งสมมติเรามีคนรู้จักพันคนองนีเราคิดถึง5้าคนหรือสิบคนเนี่ยในห้าคนสิบคนเนี่ยเลยไปก็เกิดแก่เจ็บตายคุณสุจินคิดไหมพยาบาลที่นั่นก็เกิดแก่เจ็บตายไงไหมที่ทํางานเนี่ยนะคือหมายว่าทุกครั้งที่คิดถึงเขาเหล่านั้นเนี่ยใส่ใจแต่แบบนี้ไม่ใช่ไหมคราบว่า คิดหลาตั้งหนึ่งครั้งแล้วอย่างเงี้ยนะอันนี้ไม่เป็นประมาณหมายเขาว่าคิดถึงเขาเหล่านั้นทุกครั้งคิดเรื่องอื่นงานอยู่ด้วยก็ตามแต่บวกเกิดแก่เจ็บตายไว้ในตัวเนี่ยนะบวกว่าวัตถุนั้นคือวัตถุที่มีชาติชารามรณะวัตถุเหล่านั้นมีชาติชารามรณะทุกครั้งไปด้วยคิดเรื่องงานก็ได้แต่ให้บวก ชาติชรามมรณะไว้ตลอดเหมือนดาวอย่างที่เราเรียกว่าคนไข้คนไข้นะตามภาษาเนี่ยก็จะมองว่าเขาคือคนไข้เขาคือคนไข้จะเกี่ยวข้องด้วยประเด็นใดๆเขาก็คือคนไข้ฉันใดทีนี้ถ้ามองในลักษณะการศึกษาธรรมะจะนึกถึงใครวัตถุดใดอารมณ์ใดก็คือวัตถุที่มีชาติชรามมรณะเป็นธรรมดาแต่ทีนี้มีเครื่องวัดว่าเอ๊ะเมื่อคิดอย่างนี้มากๆไปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันได้ประโยชน์อะไรเมื่อคิดอย่างนี้ ถ้าตั้งคำถามอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเข้าใจเลยว่าสาระเขาไม่ได้มีเลยตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเหมือนกับว่ามันข้ามขั้นไปหน่อยมันมันข้ามขั้นว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยแต่เขามาคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะแสดงว่าโครงสร้างอริยศาสต ร, ร์ขเขาไม่เข้าใจเลยแต่ถ้าคนที่วิจัยอริยศาสต ร, ร์เนี่ยนะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยขเขาจะเริ่มสะท้อนว่าไอ้วัต ถ, ถุตัวนี้มันเป็นวัต ถ, ถุแห่งปัญหาเกิดแก่เจ็บตายจริงแต่เป็นที่ตั้งแห่ง ปัญหาอ่ะ น, นะคิดดูนะแม้กระทั่งเนี่ยทุกขตะเข็นใจที่เป็นๆในถนนเนี่ยเชื่อไหมถ้าเขาตายหนึ่งคนน่ยปั๊บมีคนร้องให้เขาเลยมีไหมยาจกเนี่ยข้างถนนถ้าตายนะี่ยมีคนเสียใจเพราะเขาเพราะคนนี้ตายจนได้แหละหนหนึ่งคนน่ยนะอาจจะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนหรือสักใครสักคนหนึ่งก็าตามเพราะวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะทีนี้นก่อนที่แล้วก่อนหน้านั้นอะ่นะนะเมื่อเกี่ยวข้องกับวัตถุเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยอะไร นั่นแหละคือสมุทัยสัจจะเมื่อวัตถุเหล่านั้นเนี่ยนะเช่นต้องเข้าไปจัดการกับอารมณ์นั้นหนึ่งแล้ววัตถุนั้นอะสะท้อนกลับมาอะไรเนี่ยนะตัวที่เข้าไปจัดการกับตัวอารมณ์นั้นสะท้อนเข้ามาตัวนั้นเป็นสมุทัยสัจพันธ์คู่ที่พิจารณา อ, อ, อาวัตอารมณ์เหล่านั้นบ่อยๆเขาจะเริ่มตามด้วยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันเขาจะเริ่มแยกแยะเวทนาทั้งที่เป็นกุศลอกุศลและอภยากตะ เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเขาจะเริ่มแยกแยะว่าวัตถุนี้เป็นที่ตั้งแห่งกุศลหรืออกุศลถ้ามีเกี่ยวข้องด้วยกุศลและกุศลมีวิบากต่อไปเป็นยังไงนะเมื่อเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนะถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นโดยอกุศลและวิบากต่อไปเริ่มเป็นยังไงอันนี้กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิจะเริ่มดีเราจะเริ่มไหมทําไมเราต้องไปทําบาปกับวัตถุที่มีความเกิดแก่เจ็บตายล่ะ ทำไมเราจะต้องไปคิดถึงสิ่งนั้นจนเกินไปจนเราต้องบาปต้องเป็นอกุศลนี่จะต้องประทุษร้ายทางความคิดตัวเองเนี่ยนะมาที่นี่สงสัยหลายท่านไม่เคยประทุษร า, ายใจตัวเองไงนะโดยการวิตกกังวลถึงเรื่องที่บ้านไม่มีนั่งเนาะมีไหมยมนุดนี้ว่าไปได้หละไม่มีนะไม่คิดประทุษร า, ายตัวเองเลยนะหาเรื่องวิตกกังวลเนี่ยนะพรานศรีแทนที่จะคิดทำมาจากที่ไหนได้เนอนนะ คิดถึงอะไรจากอะธรรมาจากอะธรรมาจากหมุนไปสู่วัตะไม่คิดถึงธรรมาจากเลยอย่างไงนะเพราะการใส่ใจวัตถุนั้นเนี่ยถ้าคนที่พิจารณาวัตถุนั้นดีๆโดยเฉพาะรู ป, ปขันเนี่ยนะจะตามด้วยการพิจารณาเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันโดยเฉพาะสังขารขันเนี่ยจะตามด้วยกรร ม, มสการพิจารณาวิญญาณขันก็จะต่อด้วยจุติและปฏิสนธิก็จะเริ่มเห็นความเป็นไปของวัตะ ว, วัตตะเราวัตถุเหล่านี้อยากคิดว่าเขาไม่อันตรายนะอันตรายมากๆเลยเพราะเป็นที่ตั้งแห่งจุติและปฏิสนธิอย่างเราเราทั้งหลายเชื่อไหมเป็นอารมณ์ปัจจัยของจุติปฏิสนธิของสัตว์อื่นได้เรอเป็นได้ไหมได้เนี่ยเป็นอารมณ์ปัจจัยของจุติปฏิสนธิของหลายหลายคนด้วยซ้ำไปหรือของสัตว์เดรชาเป็นต้นนะนะ์เช่นเราเดินเหยียบสัตว์ตายเนี่ยนะสัตว์มีอะไรเป็นอารมณ์มีโพธภาของเราเป็น อารมณ์เนี่ยนะในพบต่อตไปเพราะวัตถุเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิเนี่ยตาใสๆแมลงบินเข้ามาตายได้ไหมเคยไหมคุณกันตาเคยไหมกันนะการแสดงแถวนั้นก็ไม่ใช่เนี่ยป่าเฮี้ยวดีๆภาษาเหนือนะป่าเฮี้ยวภาษาอื่นฟงังแล้วสบายธรรมดาไม่มีอะไรนะถ้าเขามาจะช่าพูดงั้นถ้าพูดกับคนคนใต้จะใช้คําว่าป่าเฮี้ยวถ้าพูดกับคนเหนือจะบอกป่าชา้าอ่าคนเหนือนั้นไม่เคยกลัวป่าช้าก็กลัวแต่ปลาเฮี้ยว คนใต้ไม่ก็กลัวป่าเหี้กลัวแต่ป่าชาห์งั้นนะอันเดียวกันนั่นะงเพราแม้กระทั่งเราหายใจเี่มแมลงเข้าไปมันเป็นยังไงตรงนั้นก็คือสุสามะที่นั้นเป็นอาริมณตปัจใจแห่งจุดดิและปฏิสนธิเนี่ยนะแม้กระทั่งในปากเนี่ยนะพอมาพูดพูดมแมลงบินเข้ามาตายเฉยอย่างไงนะที่ตัวเออเป็นที่จุติและปฏิสนธิเนี่ยนะมันเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละวัตถุเหล่านั้นถ้าไม่ทําปริญญาเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งจุติปฏิสนธิอย่งาง แล้วอย่างรูปทั้งหลายเหล่านี้อายุการใช้งานจริงๆเขาเป็นยังไงพ้นการทําสัมมสนายานหรือตีรณะปริญญาเนี่ยมันเป็นการเป็นการทําวิจัยสรุปชีวิตตั้งแต่เช่นโดยวัยเนี่ยนะที่เรียกว่ารูปศัตการูปศัตกาเป็นการทํำบทสรุปของชีวิตว่าโดยวัยน ะ, ะแบ่งกับแต่ละวัยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็โดยทุก10ปีโดยทุกหปีสปี3มปีสองปีหนึ่งปีก็คือการทําวิจัยบทสรุปของชีวิต ตลอดจนถึงรูปแต่ละสมุทฐานแต่ละสมุทฐานว่าแต่ละสมุทฐานเขาเป็นยังไงนะการวิจัยพวกนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อบ่มปัญญซีเนี่ยนะเป็นการบ่มปัญญรียเพื่อการรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งจะได้กําหนดรู้ในสิ่งที่ควรกําหนดรู้ถ้าผู้ที่รู้ทุกรู้จริงสิ่งนั้นนะเช่นเกิดแก่เจะตายเป็นทุกข์ษัตริย์ใช่ไหมใช่ถามว่าเรารู้สิ่งนี้จริงหรือยัง พระองค์ตว่าผู้ใดรู้ทุกผู้นั้นชื่อว่ารู้ทุกขสมุทัยผู้ใดรู้ทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่ารู้ทุกขานิโรธผู้ใดรู้ทุกขานิโรธชื่อว่ารู้ทุกขานิโรธถ้าขา ม, มินีปฏิปทาถ้ารู้สิ่งนั้นจริงต้องเข้าพระสมาบัติได้สิเราเข้าไม่ได้แสดงว่าเรารู้สิ่งนั้นไม่รอบนี่นะแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มาตั้งโจทย์ใหม่ว่าเราขาดอะไรอันนั้ในอินทรีย์ในบรรดาอินทรีย์ห้าเราขาดอะไร พันศึกษาธรรมะให้ใหเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยก็นับว่าไม่ง่ายเท่าไหร่แต่ที่ว่าประยุกต์สิ่งเหล่านั้นมาใช้ในชีวิตเป็นจริงเนี่ยนะอันนี้ยค่อนข้างใช้เวลามากเลยนะมันรีบไม่ได้ไม่รู้จะรีบว่ายังไงคือเหมือนกับเป็นการฝึกงานอะไม่รู้จะรีบว่ายังไงยิ่งรีบว่ายิ่งนะเหมือนขับรถในเมืองพาราณสีเนี่ยนะเอาทําไงดีคุณหลานเอาไหมขับรถนะแค่ขึ้นชนั่วโมง ใช้ใช้ไอเดียเช็คตอนเดียวนะจอดติดเครื่องกระดับเครื่องอะนท่านั้นนะไม่รู้จะขับไปไหนตงสายถ้าขับสักสองกิโลอาจจะได้สักสามสี่ศพการเกตไม่ยอมแน่นะถ้าถ้ามาอยู่เมืองพาราณสีมีฟังทำไม่ได้ขับไปฟังแล้วนะอไม่ไปฟังแล้วทำไอ้ไข่นะพูดก็บอกเขาไม่ยอมขับเพราะเพราะเขาไม่อยากเป็นเพศจักรขาดต่อเออใช่ใช่ต่อกาไม่อยากเป็นเพศจัขาดเย่างนั้นเดี๋ยวก็ชนแล้วตายหมดอย่างเงี้ยยุ่งเลย นี่นะัดดีนะั้นนั่นบ้านเราก็รถไม่เท่าไหรนะเนี่ยมาอินเดียคนขับรถไม่รูดแล้วแล้วน่าคิดมากในที่เขาเดินบนถนนแล้วเขาไม่ตายได้นี่มันเรื่องอัศาจรรย์มากเลยนะเออช่งครั้งที่ปัจจัยแห่งความตายเยอะเหลือเกินเขาอยู่ได้โดยที่เขาไม่ตายเนี่ยในี่น่นาแปลกใจมากว่ากรรมรักษาจริงๆเนี่ยนะว่ากรรมรักษาจริงๆริง น, นะ<ม>บุญรักษานะทั้งบุญทั้งกรรมรักษาแต่ว่าบุญอย่างนี้แหมคนดีเขาก็เลยตป็นเหนืหน้าดูเลยนะบุญอย่างนี้ไม่เอาเลยนะ บุญให้ผลก็ะเทิ้นบุญให้ผลมาเกิดเป็นขอทานเอาไหมโอ้มนุษย์เนี่ยผลของบุญไนหะถ้าเจริญมุทิตาให้กับคนเหล่านี้นะเจริญได้ไม่ยากหรอกโอ้ดีหนักหนาดีกว่าเขาเกิดเป็นเดรัจฉานเยอะเนี่ยนะหนึ่งอย่างน้อยเขาก็เกิดด้วยผลของบุญเขาก็มีความสุขสบายมีกฎหมายเป็นต้นมาคุ้มครองและรักษาถ้าเขาเป็นเดรัจฉานเขาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเป็นเดราาัจฉาก็เจริญมุทิตาให้ได้เลยโอ้ดีกว่าเขาตกนรกไปแล้วกัน ทีนี้ก็มีคําถามาว่าแล้ว ถ, ถ้าสัตว์นรกได้เจริญมุติตาได้ไหมได้เหมือนอย่างว่าเราได้ข่าวว่า ญ, ญาติเราเข้าคุกมานานใกล้จะออกแล้วเราดีใจไหมดีใจเออจะได้ออกสักทีนึงเนี่ย น, นะมันคิดถึงสัตว์นรกก็ดีใจที่ว่าเขาจะได้พ้นจากนรกแล้วเนี่ยนะเขาอยู่นานเท่าไหร่ก็แสดงว่าใกล้พ้นเท่านั้นอ่ะนะอีกไม่นานเขาก็พ้นมันมุทิตากับเขาได้ถามว่าถ้าเขาเพิ่งตกนรกใหม่ๆก็เจริญกรุณาสิ ไปเจริญกรุณาต่อไปเพราะทุกอย่างก็เป็นที่ตั้งแห่งการจเจริญกุศลได้แต่ที่สําคัญว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยประตูแห่งอบายเราได้ในสีหน้าหนักใจเนี่ยนะเชื่อไหมอย่างผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเนี่ยเป็นอารมณรัจจุบันประตูอบายก็อยู่ตรงนั้นประตูนิพพานก็อยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเวลาคนจะทําชั่วเนี่ยนะเช่นทําชั่วก็เพราะผมขนเล็บฟันหนั ง, งนั่นแหละในขณะเดียวกันถ้าจับบรรลุพระนิพพานพิจารณาอะไร ก็ผมขนเล็บตันหนังนะนีจนกว่าจะเกษาเกสาสมุทัยเกษานิโรธเกษานิโรธาคามไมีปฏิปทานเลยนะจนกว่าจะรู้อัศาธาแห่งเกษาอาทีนว่าแห่งเกษาแล้วนิสรณะแห่งเกษาตอจนกว่าจะรู้อนะตามเห็นเกษาโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงอันนะถ้าเป็นคนที่หมั่นวิจัยสังเกตเกี่ยวกับเรื่องผมจริงๆอิงนะเช่นสังเกตว่าผมเนี่ยมันจะร่วงวันหนึ่งหลายเส้นนะ ถ้าถ้าเป็นอย่างอย่างคนที่ทำความสะอาดพื้นเนี่ยจะเริ่มจะเห็นเยอะนี่ยะค่อยๆแสดงว่ามันมีการร่วงมีการงอกมีการงอกมีการร่วงมันเหมือนกระยานะมีการขึ้นมีการก็จะเริ่มมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองถ้ายิ่งคนที่ผมเปลี่ยนสีแล้วก็ต้องคอยรักษาสีตามเดิมเนี่ยนะก็ต้องคอยสังเกตเนี่ยได้เวลาย้อมมีหรือย้อมเป็นต้นก็ดูไปอะไรไปโถามว่ามหาภาระเท่าไหร่เนี่ยนะ แล้วถามว่าผู้ที่มีผมเป็นอารมณ์จุติปฏิสนธิ์นี่มีน้อยหรือมีมากในหมู่ประชาชนที่ประเทศชาติไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะอย่างผมคนไทยอาจจะไม่เท่าไหร่นะที่ทีจเจริญนะแต่ถ้าถามว่าคนเหล่านี้ที่ไม่มียาสับผมอะไรเลยเนี่ยนะแหวกเข้าไปในผมเขานี่ใครมาอยู่ด้วยว่างโอ้ไม่หมดเลยนะไม่รู้ อ, อยู่กันกี่เจ้าแนละ้วที่ตีว่าไปในผมเนี่ยไม่ได้น้อยกว่าสนามหญ้าเลยหรอ สนามหญ้าเนี่ยนะเวลาสังเกตเวลาเดินปั๊บเนี่ยเหยียบลงไปปั๊บเนี่ยแมลงบินขึ้นเต็มไปหมดเลยถ้ายิ่งตอนตอนตอนสะบัดไล่สองไงเราเดินนยเดินขึ้นเนี่ยแมลงมันจะบินขึ้นให้ดูเลยอูย้เยอะมากๆเลยมูสัตว์เนี่ยไม่ได้อย่างประเทศที่ตรงไหนแล้วเราดูเขียวสวยดูงามเนี่ยนะตรงนั้นจริงๆนะถ้าส่องเข้าไปละเอียดลึกจริงๆแล้วสัตว์อยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยดินฉ่าน้ําชุ่มไปต้นเนี่ยนะตรงนั้นเนี่ยให้รู้ว่าสัตว์นี้อยู่เต็มไปหมดเลย นั่นแหละเพราะเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์ของจุติและปฏิสนธิผู้ที่พิจารณาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะเลยไปหาอารมณ์นั้นในฐานะเป็นอารมณ์ของจุติปฏิสนธิเพราะถ้ารู้เรื่องกรรมโดยที่ไม่รู้อารมณ์ของกรรมเป็นไปได้ไหมถ้ารู้เรื่องกรรมจริงจะต้องรู้ตัวอา ร, อารมณปัจจัยของกรรมถ้ารู้อารมณ์ดูจากอารมณ์มองกรรมได้เลยเห็นกรรมก็ดูอารมณ์ได้เลยถามว่าถ้าอย่าง